24. สใจมนุษย์ดีที่สุดตรงที่มันแสดงไตรลักษณ์วงเล็บเปิดสิบมิถุนายน2 5 5พันห้าห้าสิบในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสามสิบวงเล็บปิดจิตใจธรรมดาธรรมดาของมนุษย์ดีที่สุดมนุษย์ถึงชื่อว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงพวกเราชอบทิ้งจิตมนุษย์ที่สูงที่ดีไปสร้างจิตของพรมขึ้นมา เวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราทําใจให้นิ่งไปสร้างจิตของพรหมพระพุทธเจ้าไม่เคยยกย่องจิตของพรหมเลยนะท่านบอกเกิดเป็นมนุษย์ยากนะเห็นไหมไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นพรหมยากด้วยบอกเกิดเป็นมนุษย์ยากแล้วจิตของมนุษย์นี่ชื่อว่ามนุษย์คือผู้มีใจสูงดังนั้นใจของเราดีอยู่แล้วมันสูงอย่างไรคือใจมนุษย์มันเหมาะที่สุดสําหรับการทําวิปัสสนาใจของพรหมมันเหมาะจะทําสมาธิ ใจของเทวดามันเหมาะจะเสพสุขดังนั้นใจมนุษย์เนี่ยดีที่สุดใจมนุษย์เปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูเดี๋ยวอิจฉาริษยาเดี๋ยวอาฆาตพยาบาทเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวเครียดนะเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่ใจมนุษย์นี่ดีวิเศษเห็นไหมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วเราทําวิปัสสนานี่นะเพื่อให้เห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งใจไม่เที่ยง ทั้งกายทั้งใจเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ใจของมนุษย์นี่เหมาะมากเลยที่จะเห็นไตรลักษณ์เพราะใจมนุษย์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุดเลยแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาจิตใจของมนุษย์ดีวิเศษมากเลยเพราะแสดงทุกขังแสดงการทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดอันหนึ่งสบายอยู่แผลบเดียวเดี๋ยวก็ไม่สบายแล้วสุขอยู่แผลบเดียวเดี๋ยวก็ไม่สุขแล้วเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆใจของมนุษย์สูง ดีวิเศษมากเลยมันทำงานได้เองเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดโดยที่เราบังคับไม่ได้ใจของพรมบังคับได้นะใจของพรมฝึกไปเรื่อยบังคับอยู่ได้เป็นกับกับให้นิ่งอยู่เป็นกับกับได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ใจที่ดีที่วิเศษเป็นใจที่เห็นอ น, นัตตายากที่สุดเลยจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบังคับใจได้ให้นิ่งนานๆหลายๆปีนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละ ส่วนใจมนุษย์นี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วแสดงความไม่เที่ยงตลอดแสดงความเป็นทุกข์ตลอดคือทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้มันถูกเสียดแทงใจของมนุษย์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมันเปลี่ยนแปลงได้เองโดยที่เราไม่ได้บังคับมันสั่งมันไม่ได้อย่างเราสั่งให้มันอย่ามีความทุกข์นะมันไม่เชื่อเห็นไหมมันดีนะดีตรงที่มันไม่เชื่อให้เราดูจงมีแต่ความสุขไม่มีหรอกมันไม่เชื่อ ห้ามชั่วนะจงดีนะไม่เชื่อสักอย่างหนึ่งความโกรธอย่ามานะฉันก็จะมาโลภอย่ามานะฉันก็จะมาอย่าเผลอนะฉันจะหลงฉันจะเผลอเห็นไหมโกรธแล้วหายไวๆนะฉันจะไม่หายฉันจะแกล้งแกอยู่อย่างนี้เห็นไหมว่าใจมนุษย์มันดีอย่างนี้นะดีตรงมันบังคับไม่ได้ให้เราดูบางคนจะเริ่มงงแล้วว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้แล้วมันดีอย่างไร มันดีตรงที่เราจะหมดความยึดถือในกายในใจนี้ได้เราจะเห็นเลยมันไม่ใช่ของวิเศษอีกต่อไปแล้วมันเป็นของที่มีภาระเป็นของที่มีความทุกข์มากเป็นของที่ไม่คงที่เลยนี่ความวิเศษของจิตใจมนุษย์มันอยู่ตรงนี้เองตรงที่มันแสดงไตรลักษณ์